บรรยายเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2545นมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎก ในโอกาสที่ใกล้ถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในธรรมเนียมของชาวพุทธก็มักจะอยากได้มงคลหรือสิ่งที่คิดว่าจะน้อมนำจิตใจให้สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ดียิ่งขึ้นไปในโอกาสปีต่อไปด้วยจึงขอเมตตาจากพระคุณเจ้าได้กรุณามอบสิ่งที่เป็นพรปีใหม่หรือหลักคิดที่นาให้สามารถดาเนินชีวิตได้ตามหลักที่พุทธศาสนิกชนที่ดีควรจะเป็นเจ้าค่ะ ขอจเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านช่วงเวลาวันสองวันนี้เป็นระยะเวลาที่ประชาชนทั่วทั้งโลกกำลังมีความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสต้อนรับปีใหม่กันคนไทยเราก็ได้ร่วมด้วยในการ เฉลิมฉลองปีใหม่นี้กับประชาชนชาวโลกทั้งปวงในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่โลกหมุนไปนี้ก็ประชาชนในดินแดนหรือประเทศต่างๆก็ทยอยต้อนรับปีใหม่กันไปตามลําดับสําหรับประเทศไทยของเรานี้การต้อนรับปีใหม่เรามีกันหลายครั้งสําหรับครั้งนี้ก็ถือว่า เรียกตามภาษาสมัยใหม่ว่าเป็นสากลคือเป็นปีใหม่ร่วมกับคนทั้งโลกอันนี้การต้อนรับปีใหม่นะก็เป็นเรื่องของความสุขคนแสดงความสุขหรือมีความสุขกันตั้งแต่ว่าสดชื่น ร, รื่นเริงจนกระทั่งถึงสนุกสนานบันเทิงแม้กระทั่งชุลมุนวุ่นวายก็มีกันหลายระดับ แต่จะสนุกสนานอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการทำให้เกิดความวุ่นวายเสียหายก็ถือว่าดีทท้านั้นเพราะว่าทำให้จิตใจร่าเรองสดใสทางพระถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งก็เป็นมงคลเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าหากว่าเราเริ่มต้นดีได้จิตใจที่เบิกบานผ่องใส ก็ถือว่าเริ่มดีเริ่มต้นดีก็เป็นท่านเรียกว่าเป็นบุพภนิมิตจะนํามาซึ่งความสุขความจเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเหมือนกับว่าวันนี้เป็นต้นทุนแล้วแหละเราได้เริ่มตั้งทุนใหม่แล้วก็ตั้งต้นไว้ดีด้วยอันนี้ก็ถือว่าให้เป็นความหวังแล้วก็พยายามปฏิบัติให้เป็นจริงอันนี้จะสนุกสนานกันยังไงก็ตาม ยิงสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือว่าเป็นเวลาที่ครบรอบอีกปีหนึ่งเวลาผ่านไปถึงปีใหม่ก็คือทุกอย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคืบหน้าไปครบเวลาหนึ่งปีนี่ก็ถือว่าเป็นเวลาที่มากเหมือนกันเวลาที่ผ่านไปหนึ่งปีในความรู้สึกหลายหลายคน จะเร็วช้าไม่เท่ากันบางคนก็เร็วมากบางคนก็เร็วน้อยบางคนก็ช้าทางนี้ก็ขึ้นต่อปัจจัยต่างๆเช่นคนมีความสุขมีความทุกข์ไม่เท่ากันมีความหวาดมีความหวังไม่เหมือนกันคนไหนมีความสุขมากก็มักจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วคนที่มีทุกข์มีความทรมานก็จะรู้สึกว่า เวลาช้าคนที่มีความหวาดกลัวภัยอันตรายที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าก็จะรู้สึกว่าเวลารวดเร็วถ้ามีความหวังรออยู่ว่าสิ่งที่ต้องการจะมาถึงเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อไรจะถึงสักทีก็จะรู้สึกว่าเวลาแห่งการรอคอยนั้นช่างช้าเลือกเกินแล้วคนไหนมีภาระมีกิจต้องทำมากก็จะรู้สึกว่าเวลาเร็วเลือเกินทาไม่ค่อยทัน คนไหนไม่ค่อยมีอะไรจะทําเวลาก็จะผ่านไปช้าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกของแต่ละคนแต่ที่แท้จริงนั้นวันเวลาเสมอกันหมดมีความยุติธรรมธรรมชาตินั้นมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันแก่ทุกคนก็อยู่ที่ว่าเมื่อเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปจะรู้สึกเร็วชา้าอย่างไรเราก็ต้อง สู้กับความเป็นจริงความเป็นจริงที่ผ่านไปนี้ที่บอกว่าเมื่อถึงเวลาปีใหม่ก็ครบรอบปีหนึ่งเรามองดูในแง่สนุกสนานบันเทิงมีความสุขก็ดีแล้วอันนั้นเรียกว่าตั้งจิตไปในทาทีิถูกแต่พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งเราก็คงไม่ลืมว่าพร้อมกันที่คนทั้งหลายจำนวนมาก มีความสนุกสนานเนี่ยก็มีคนส่วนหนึ่งที่เขากําลังมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจมีความลําบากเรียกว่าทุกข์ยากต่างๆซึ่งก็ไม่ควรจะถูกทอดทิ้งเราก็ควรจะได้เหลียวแลเขาด้วยและถ้าหากว่าเราได้ใช้เวลาในปีใหม่สําหรับได้มองดูมีเยื่อใยมีน้ําใจต่อคนที่มีความทุกข์ยากหรือแม้กระทั่งได้ไปทําอะไรเพื่อเขา ทำให้เขามีความสุขด้วยก็จะทำให้เกิดเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นตัวเราเองก็ได้บุญไปด้วยอันนั้นก็เป็นการที่ว่าแผ่ขยายความสุขให้กว้างขวางออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเวลามันก็มาถึงแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้เกิดผลเป็นประโยชน์ที่สุดแต่เราได้ด้านหนึ่งก็คือว่าตั้งใจไว้ดีก็เป็นจิตใจดีงาม ว่านอกจากจิตใจดีงามแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมก็อย่างที่ว่าแม้แต่สนุกสนานก็อยู่ในขอบเขตที่ไม่ก่อความดือดร้อนเบียดเบียนไม่ทำให้เกิดความเสียหายอันนั้นก็เป็นด้านพฤติกรรมเป็นส่วนที่สองแล้วส่วนสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือด้านปัญญาด้านปัญญาก็ทาด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการคิดคำนึงถึงเรื่องปีใหม่ ที่จะมาถึงต่อไปว่าเราจะทำอะไรเป็นต้นด้วยก็เรียกว่าไม่อยู่แค่พอจิตใจสนุกสนานแล้วก็จบไปในเรื่องของปีใหม่ที่แท้เนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็มาเป็นเรื่องของปัญญาเวลาผ่านไปผ่านไปมันก็กลืนกินท่านเรียกว่ากลืนกินมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะว่า เมื่อเวลาผ่านไปอย่างชีวิตของเรานี่ก็ก้าวไปสู่วัยเพิ่มขึ้นจากวัยเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวก็เป็นเท่าชราอันนี้วัยของเราในก้าวหน้าไปเรื่อยแต่ก้าวหน้าไปก็คือการที่ว่าเสื่อมลงไปนั่นเองนนเนก้าวหน้าในที่นี้มันมาพร้อมกับความเสื่อมด้วยเราก็จะต้องเข้าใจยอมรับความเป็นจริงอันนี้การเวลาที่ผ่านไปอย่างนี้ เมื่อมันผ่านไปกลืนกินสัตว์ทั้งหลายไม่ผ่านไปเปล่าเมื่อมันไม่ผ่านไปเปล่าเราก็ต้องมีวิธีปฏิบัติตัวเวลาเพราะว่าถ้าเราขืนปล่อยให้เวลากินเราฝ่ายเดียวเราก็แ ย, ย่เราก็เสื่อมไม่มีความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นท่านก็สอนเราให้ใช้เวลาอย่างไม่ผ่านไปเปล่าเหมือนกันคือเวลาไม่ผ่านไปเปล่ามันกลืนกินเรา เราแก่เท่าชลาลงแต่ว่าพร้อมกันนั้นเราก็ใช้เวลาอย่างไม่ผ่านเปล่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธภาษิตสอนเตือนใจเราไวใ้ให้รู้จักใช้ประโยชน์จากเวลาซึ่งน่าจะนำมาอ้างในระยะปีใหม่ด้วยจะได้เตือนใจให้เราใช้เวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่นี้เป็นต้นไปให้ถูกตามหลักธรรมะ คำพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็ น, น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างอันนี้สำคัญมากอันนี้บางคนชอบคาถาคาถาบาลีเนี่ยว่าชอบภาษาสิทธิ์ก็จะจำไว้ก็ได้ถ้าใครเก่งก็จำไว้เลยจะว่าเป็นภาษาบาลีก็ไม่ยาวนิดเดียว อโมคังทิวสังกะยิราอปเปนะพะหูกนณวว่าครั้งเดียวแหละให้จำเอาเองใครจำได้ก็เก่งนี่เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ถ้านำไปใช้แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะเป็นประโยชน์เห็นชัดๆเนี่ยเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็ น, น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเนี่ยลงได้วันละเล็กละน้อยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แน่เลยเกิดผลอันี้ที่ว่า ไม่มากก็ น, น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเนี่ยคนก็คิดกันไปต่างๆบางคนก็อาจจะคิดถึงได้เงินนะบางคนก็คิดถึงได้งานนะทำงานคืบหน้าไปยังไงบางคนก็คิดไปถึงการศึกษาเล่าเรียนบางคนก็คิดไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้แก่สังคมประเทศชาติบางคนก็คิดถึงเรื่องความสุขความทุกข์ว่าเราวันนี้ได้สุขได้ทุกข์แค่ไหนเพียงไรหรือว่า ได้กระทั่งว่าคุณธรรมการพัฒนาชีวิตของตนเองหรือกระทั่งว่าปัญญาความรู้ความเข้าใจที่มากัาการศึกษาว่าเวลาผ่านไปวันนี้เราได้ความรู้แต่ค้นคว้าอะไรได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเข้าใจอะไรดีขึ้นบ้างไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ในที่สุดก็ไปจบที่ตัวเองอย่างที่เคยพูดบ่อย บ, อ, ยบอกแม้แต่วินาทีสุดท้ายเวลาเป็นนอนก่อนหลับ ถ้าหากว่าสำรวจแล้วไม่ได้อะไรเลยก็บอกว่าขอให้ได้ก่อนหลับให้ได้ก่อนหลับก็คือทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสนี่คือได้ไม่มีทางไม่มีวันไหนที่จะหมดสิ้นหวังที่จะได้ลาบราบอันประเสริฐสิ่งที่ได้ในได้กระทั่งสุดท้ายก่อนจะหลับก็ทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานนี่ก็คุมเลยทั้งวันแต่ว่า ก็คิดด้วยตั้งใจว่าวันต่อไปนี้เราจะทำสิ่งที่ดีงามอย่างไรให้ผ่านไปอย่างได้ประโยชน์จริงๆอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งถ้าทำได้ครบถ้วนอย่างนี้ก็จะมีความหมายว่าวันเวลาต่อไปในปีใหม่นี้จะเป็นเวลาแห่งความเจริญก้าวหน้างอกงามเพราะว่าถ้าได้วันหนึ่งแม้แต่เล็กน้อยนี่กว่าจะครบปีนี่จะได้มากมายทีเดียว อันนี้ก็อย่างน้อยนี่ก็เป็นพุญทพสิทธิ์หนึ่งที่เป็นประโยชน์ถ้านํามาปฏิบัติก็จะเกิดผลเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงอันนี้เป็นเรื่องของหลักคําสอนต่างๆที่มีมากมายพระพุทธเจ้าจะตรัสสอนว่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้เวลาแม้แต่แต่ละขณะอย่างที่ผู้ที่เรียนทางด้านธรรมะก็ยอมจํากันได้ดีที่ท่านบอกว่าคโนโวมาอุปจักขา เวลาแม้แต่ขณะเดียวก็อย่าให้ผ่านล่วงทันไปเสียอันนี้ก็หมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นจริงจังเนี่ยจะทำได้แม้แต่ว่าทุกขณะจิตทุกขณะจิตนี่ให้อยู่ด้วยความรู้อยู่ด้วยปัญญาเป็นต้นไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเลยแต่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรก็ตามในเรื่องการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ย พูดรวมกันแล้วก็คืออยู่ในหลักของความไม่ประมาทนั่นเองก็เราก็จะต้องอยู่อย่างไม่ประมาทก็หมายความว่ามีความกระตือรือร้อนขนขวายไม่นิ่งนอนใจไม่เผลอเรอ่อไม่ผัดเพียเ้ยนทําการต่างๆด้วยมีสติสติจะคอยเตือนว่ามีอะไรที่จะต้องทำอะไรไปกิจหน้าที่ของตอนแล้วลึกขึ้นมาแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านไปเฉย ก็นำมารรมาปฏิบัติให้มันจบมันสิ้นไปแล้วก็มีอะไรที่จะพลาดพลั้งเสียหายเราก็ไม่ยอมถลำพลาดไปสติก็จะมากันไม่ให้เสื่อมแล้วก็จะให้ช่วยโอกาสแห่งความดีงามและความเจริญหรือการสร้างสรร น, นี่เป็นหน้าที่ของสติที่ทำให้เราไม่ประมาทนี่ถ้ามีความเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าจะเจริญแน่นอนเรียกว่าไม่มีความเสื่อม แต่เป็นเรื่องยากคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีความสุขแล้วสบายแล้วนี่ก็มักจะเริ่มเฉยแล้วก็จะทำให้ชักเนื่อยชักช้าลงแล้วก็อาจจะเลื่อยเปื่อยเลื่อยเปื่อยเฉยชาก็ประมาทหรือว่าคนที่ประสบความสาเร็จอะไรสักอย่างก็มัวดีใจก็เลยเพลินประมาทไปเหมือนกันนะ ไม่ว่าความดีความสุขความสําเร็จอะไรทั้งนั้นแหละมันทําให้คนประมาทได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีถ้าใช้ไม่เป็นก็ทําให้เป็นปัจจัยแห่งความเสื่อมได้ทั้งนั้นเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาตัสสรุปไว้ว่าเราจะต้องไม่ประมาทแม้จะก้าวหน้าจเจริญมีความสุขมีความสําเร็จอะไรยังไงก็ตามต้องต้องไม่ประมาทไว้ตลอดเวลาเมื่อไม่ประมาทมันก็ไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นคนที่ว่าได้ฤทธ เจอพิษของอนิจจังก็เพราะว่าเวลาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ได้รับความสุขความเจริญแล้วเพลิดเพลิ น, ลนมัวเมาประมาทก็เลยเสื่อมนั่นแหละก็เลยต้องเข้าวงจรแห่งความเจริญแล้ ว, ลวก็เสื่อมแต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้บอกว่าถ้าท่านไม่ประมาทเนีท่านไม่มีเสื่อมเพราะท่านจะทําเหตุให้ความเจริญต่อไปแล้วก็ป้องกันช่องทางของความเสื่อมไปด้วย นี่เป็นเรื่องของความไม่ประมาทซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ชาวพุทธทุกคนจะต้องถือเป็นหลักสําคัญจะต้องปฏิบัติเพราะว่าเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงย้ําตลอดเวลาในการบำเพ็ญพุทธกิจในเรื่องไม่ประมาทก็แปนอันว่าเกี่ยวกับารเวลาต้องทํากันตลอดเวลาทั้งปีเนี่ยต้องอยู่กันด้วยความไม่ประมาทแต่ว่าทีนี้ถ้ามองเฉพาะหน้าตอนนี้เราก็มาอยู่เฉพาะปีใหม่ ก็เอาละต่อไปต้องก้าวไปในความไม่ประมาทใช้เวลาทั้งปีนี้ยอย่าง ก, กระตือรือร้นขนขวายน่ยใช้เวลาอย่างที่แล้วก็ไม่ให้เสียเปล่าให้เป็นประโยชน์แต่นี้มาถึงเฉพาะหน้าก็คือการที่เรามาต้อนรับปีใหม่กันก็มาดูว่าเราจะปฏิบัติต่อเรื่องปีใหม่ที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้านี้อย่างไรเฉพาะหน้านี้ที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยความใหม่นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีคนก็ชอบ ความใหม่มีความหมายหลายอย่างที่สาคัญสาคัญก็คือเราจะรู้สึกว่าสุกสดชื่นจเจออะไรแต่ อ, อะไรที่ใหม่ๆไม่ยังไม่สกปรกไม่เปื้อนอะไรจิตใจเราก็พลอยสบายไปด้วยมีความสดชื่นไปด้วยของนั้นยังไม่ได้ถูกใช้ของนั้นแม้แต่บางทีมือก็ยังไม่ได้จับเนี่ยมันก็สดใสามากมันก็ทำให้เรามีความสดชื่น เราก็เลยโยงได้ว่าที่เราเห็นของใหม่แล้วจิตใจเราสดชื่นเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากของนั้นสะอาดสะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นสิ่งสาคัญของที่ยังไม่ใช่ยังไม่มีอะไรเปื้อนแม้แต่มือยังไม่จับต้องก็สะอาดสะอาดสดใสก็ทำให้จิตใจคนที่เห็นนั้นพลอยสุขสดชื่นไปด้วยเพราะนั้นความสะอาดบริสุทธิ์นี่ก็เป็นคุณสมบัติสาคัญที่มักจะมากับความใหม่ ทีนี้อีกอย่างหนึ่งอะไรอีกด้านหนึ่งที่มากับความใหม่ก็คือความมีพลังความมีพลังเป็นยังไงอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยก็มักจะมีพลังไม่ต้องพูดถึงพลังใจที่เราเห็นของใหม่แล้วเราใจสดชื่นก็มีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นมาแต่ว่าลองคิดดูอย่างนักกีฬาเล่นกีฬาถ้าเป็นคนเก่าเล่นมานานๆเป็นชั่วโมงก็เมื่อยก็เพลียหมดแรงก็ ได้นักกีฬาคนใหม่เข้ามาก็กำลังมีพลังแข็งแรงหรืออย่างนักรบก็เหมือนการลบเขาไปจนกระทั่งเหนื่อยอ่อนหมดแรงแล้วคนใหม่ก็แข็งแรงเพราะนั้นความใหม่นี้จะมากับพลังความแข็งแรงเลยเราก็ให้ได้ประโยชน์จากเรื่องของความใหม่ว่าปีใหม่เนียจะต้องทําให้ได้ความหมายอย่างน้อยสามอย่างของความใหม่เนียก็คือหนึ่งก็ต้องมีความ ส, สดชื่น แล้วสก็มีความสะอาดสดใสแล้วก็สก็ความมีพลังมีความเข้มแข็งมีเรียวแรงกําลังที่จะเดินเ ป, ป่าไปข้างหน้าเพราะปีใหม่นี้การเวลารอเราอยู่อีกตั้ง360กสว่าวันเราก็ต้องเดินก้าวหน้าไปให้ดีก็ต้องมีพลังที่จะเดินไปอันนี้กําลังอย่างนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ามาดูทางธรรมะเนี่ยกำลังไม่ได้จบเท่านี้ความมีพลังที่แท้อยู่ที่ไหน คราวนี้มาเจาะลึกลงไปดูในทางหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าไอ้ตัวพลังความแข็งแรงที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นอิสระความไม่ถูกกีดกั้นจำกัดไม่ถูกกักขังไม่ถูกจองจามัดเป็นต้นนะใครจะมีพลังแข็งแรงเท่าไหร่ก็ตามถ้าหากว่าตกหลุมตกบอ่อ นะจมปลักไปแล้วหรือว่าถูกมัดซะแน่นหรือถูกขังไว้เนี่ยกำลังมีเท่าไรไม่มีประโยชน์แต่ว่าคนที่ไม่ถูกมัดถูกจองจำอะไรเป็นต้นเนี่ยตัวเป็นอิสระเนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงก็ได้ก็มีกำลังเท่าไรก็ใช้ได้เต็มที่เพราะนั้นตัวพลังที่แท้นี่จะมีความหมายตรงที่มีความเป็นอิสระเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงเน้นไว้ตัวพลังในยอยู่ที่ความเป็นอิสระ ก็ดูจะไม่ต้องนึกอะไรอื่นอย่างช้างเนี่ยตัวโตเหลือเกินน่ยไปลงคลองเข้าจมโคลนนะตกหลุมเลยว่าติดลมก็มีกําลังตัวโตเท่าไหร่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องกําลังนี่ต้องมีความเป็นอิสระนะเพราะช้างถ้าเขาไม่ติดลม ไม่ตกอะไรซะไม่ติดโครนเขาก็มีกำลังเท่าไรเขาใช้ได้ก็จะทำอะไรเคลื่อนไหวได้เต็มที่จะลากสูงหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จึงเป็นเรื่องสำคัญคนเราก็เหมือนกันเนี่ยจะต้องมีอันหนึ่งก็คือการที่จะมีพลังที่แท้ต้องมีความเป็นอิสระความเป็นอิสระไม่ถูกครอบงาไม่ถูกจากัดกีดกั้นอย่างคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างเงี้ย ถ้าหากว่าใจไปยึดติดไปตกอะไรถูกจองจำถูกครอบงมซะแล้วเนี่ยก็จะทำอะไรได้ไม่เต็มที่ยกตัวอย่างง่ายๆ ย, ยังไปห่วงผลประโยชน์เท่านั้นแหละใจติดแล้วเพราะใจห่วงผลประโยชน์ของตัวห่วงสถานะของตัวตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เต็มที่แล้วติดขัดไปหมดนั้นความห่วงความกังวลอะไรเหล่านี้ความหวงแหนความยึดติดในสิ่งต่างๆในโลกธรรม ลาบยศเป็นต้นเลยตัวเหล่านี้เป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยหมดความเป็นอิสระพอหมดความเป็นอิสระแล้วก็หมดแรงที่จะทํากิจการงานไปตามความมุ่งหมายก็จะทําให้การงานกิจการนั้นไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรไม่เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างพลังตัวที่แท้นี้ก็คือความเป็นอิสระ โดยแท้แก่นของมันก็คือการที่เรามีจิตใจที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำนั่นเองม่ให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบ ง, งมได้จิตใจของเราก็มีจุดมุ่งหมายที่ดีงามตอนนี้แหละถ้าเรามีจิตใจมุ่งต่อความดีงามอย่างพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ก็จิตใจไม่ติดอยู่กับเรื่องตัวตนแล้วก็ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเพื่อผูชน ทีนี้ไม่มีความติดข้องในอะไรต่างๆตอนนี้ทาอะไรก็ทาได้เต็มที่เลยมีกำลังอุทิศตัวให้แกาศาสตรนกิจงานพระาศาสนาญาติโยมก็เช่นเดียวกันแหละก็เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามทาตัวให้โล่งให้ปโปร่งให้เป็นอิสระเมื่อเรามีความเป็นอิสระอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าให้มีพลังอื่นอีก คนที่ทํางานทั่วๆไปเนี่ยดำเนินชีวิตยอยู่ในสังคมในโลกยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานกิจการยิ่งขึ้นไปเนี่ยจะต้องการพลังเพิ่มขึ้นมากๆทีนี้ถ้าไม่มีหลักก็ไม่รู้จะเติมพลังยังไงทําไปทําไปบางทีพลังถอยลงไปทุกทีก็อ่อนแอนลงนั้นก็จะต้องเติมพลังทีนี้ถ้าเรามีหลักมีพลังตามที่ท่านสอนไว้แล้วเนี่ยมันเติมได้อยู่เสมอมันเป็นพลังยืนพื้น อันนี้พลังอีกสอย่างที่เป็นทุนสําคัญที่จะต้องมีไว้ประจําตัวคือหนึ่งกำลังปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาพลังกําลังปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่มากคนไม่มีกําลังแล้วก็ลําบากแม้แต่ประเทศชาติประเทศไหนขาดพลังปัญญาไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาก็ล้าหลังต้องตามเขาเรื่อยไปคิดก็ไม่ทันเขาไม่รู้เรื่องอะไรต่งตางๆความเป็นไปในโลกก็ไม่ทันจะคิดจะทําอะไรมันไม่สมถถําเร็จเท่านั้นแหละ คนได้มีปัญญาจึงจะหาทางจัดดําเนินการติดต่างๆได้ปัญญาคู่กับปัญหาถ้าปัญหามาไม่มีปัญญาก็แก้ไม่ได้แต่หากว่าปัญญามาแล้วปัญหามาเท่าไหร่ไม่กลัวแก้ได้หมดนักคนที่จะแก้ไขปัญหาก็ต้องคอยพัฒนาปัญญาของตัวเองนี่เราก็ต้องมีปัญญาพลังต้องแสวงหาปัญญาหาความรู้เพิ่มพูนปัญญาอยู่เสมอ ถ้าคิดในแง่สังคมประเทศชาติเราก็ต้องให้การศึกษาเด็กอย่างดีต้องเพิ่มปัญญาต้องพัฒนาปัญญาของเด็กโดยเฉพาะการหาความรู้จะได้ให้ความรู้มาคู่กับการแสดงความเห็นเพราะเดี๋ยวนี้ชอบพูดกันนักให้เด็กกล้าแสดงความเห็นแต่ว่าต้องย้ำก่อนว่าเธอจะมากล้าแสดงความเห็นต้องหาความรู้ให้ดีนะถ้าหากว่าแสดงความเห็นโดยไม่มีความรู้ก็กลายเป็นการแสดงความเห็นที่เลื่อนลอย ไม่มีประโยชน์บางทีกลายเป็นเหลวไหลไรสาระไปดังนั้นสิ่งที่ควรย้ำมากกว่าการแสดงความเห็นคือการหาความรู้พอสังคมไทยเรานี่ขาดมากเราขาดเราพูดกันมานานแล้วว่าขาดตั้งแต่ความฝ่ายรู้เลยนี่เมื่อไม่มีความฝ่ายรู้ก็เลยไม่หาความรู้นั้นกระบวนาการหาความรู้ก็เลยขาดไปในสังคมไทยเราจะเห็นว่าการอ่านการเรียนการอะไรไม่ค่อยเอาห้องสมุด นี่ค่อนข้างหลงเหลงแม้แต่มีเด็กเข้าไปใช้ก็มักจะไปใช้ในแง่ของการอ่านเรื่องบันเทิงซะได้ข่าวว่าอย่างนั้นแทนที่จะไปค้นคว้าตำรับตำราเพราะฉะนั้นจะต้องมาสร้างสรรสังคมไทยได้วยการพัฒนาปัญญาและการศึกษาจะต้องเน้นเรื่องการหาความรู้ให้มีความใฝ่รู้แล้วก็มีวิธีการหาความรู้แล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังในการค้นคว้าหาความรู้นั้น แล้วจากกต่อจากนั้นเมื่อฝึกการหาความรู้แล้วก็ฝึกการรู้จักคิดนคนที่มีแต่ความรู้และคิดไม่เป็นก็เอาความรู้มาใช้ประโยชน์ไม่ได้นี่ถ้าหากว่าคนรู้จักคิดก็เอาความรู้ที่มีนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นอกจากนั้นแล้วคนที่มีความคิดนั้นก็จะคิดหาทางที่จะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกไอ้ความคิดนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วย ให้เราเนี่ยไปหาความรู้เพิ่มเติมก็เลยกลายไปว่าเราเนี่ยได้กระบวนการของการพัฒนาปัญญาสองขั้นแหละก็คือว่า 1. การหาความรู้ 2. การพัฒนาความคิดหรือรู้จักคิดถ้าได้สองแล้วทีนี้พอมีความรู้ดีแล้วคิดเป็นการแสดงความเห็นมันก็จะมีความหมายมีประโยชน์มีสาระขึ้นมาแล้วก็ ก่อนจะมาถึงการแสดงความเห็นต้องเน้นการหาความรู้และการรู้จักคิดคิดเป็นก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างความรู้กับความเห็นพอคิดเป็นใช้ความรู้ได้ความรู้นั้นก็จะมีความหมายงอกเงยขึ้นมาแล้วมาแสดงความเห็นก็จะเป็นทางให้เราได้ความรู้ความเข้าใจเห็นแง่มุมเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นจุดเห็นมุมที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมอีกมันก็จะเป็นกระบวนการที่ทําให้หมุนต่อกันไป3อย่างนี่ไม่รู้จักจบ คือ 1. ห, หาความรู้ 2. รู้จักคิด 3. แสดงความเห็นเป็นและเสร็จแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มแล้วก็คิดมันก็เป็นไอตัวหนุนกันไปเรื่อยๆแม้แต่ว่าแสดงความเห็นมันก็ไปนหนุนความคิดด้วยกระตุ้นความคิดที่ดีนั่นการพัฒนาปัญญานี่จะต้องให้ครบกระบวนการอย่างน้อย3ขั้นตอนที่ว่าในการหาความรู้นั่นก็ต้องเน้นด้วยว่ามีการปฏิบัติมีการทดลองนะีก็คือมีการกระทําด้วยนั่นเอง นี่ก็เป็นเรื่องของพลังปัญญาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่พูดก็ไม่รู้จักจบก็เอาและเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องเน้นปัญญาเป็นพลังใหญ่ถ้าไม่มีปัญญาพลังประเทศชาติสังคมไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาประเทศชาติเราไปไม่ไหวจะต้องเป็นผู้ตามและมีความอ่อนแออยู่ด้วยไปต่อไปที่2ถ้าเรียกว่าวิริยะพลังกําลังความเพียรพยายาม นอกจากว่าจะมีปัญญาแล้วต้องมีความเพียรพยายามด้วยถ้าหากว่ามีปัญญาแล้วก็ขี้เกียจซะอีกก็ไม่ไปไหนเหมือนกันต้องเดินหน้าต้องเป็นคนมุ่งมั่นก้าวหน้าคนที่มีความเพียรก็คือคนที่ก ล, กล้าเข้มแข็งใจสู้ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยไปอันนี้วิริยะความเพียรนี่สำคัญจะทำให้งานเดินะ น, นั้นมีงานมีการอะไรทาอย่างน้อย ไม่ให้มีความขัดตกบกพร่องนะทํางานได้เต็มตามหน้าที่นี่เรียกว่าวิริยะพลังกําลังความเพียรพยายามแล้วสก็กําลังสําคัญอีกอันเรียกว่ากําลังความสุจริตอนวัชพละมือสะอาดทํางานทําการต่างๆไม่มีช่องให้ใครจะเอาไปเป็นจุดอ่อนมาตามําหนิติเตียนได้เป็นต้นถ้าคนไม่มีช่องไม่มีความทุจริต ไม่มีแง่มุมที่เขาจะเอาไปใช้แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทํางานได้เต็มที่เลยนันอันนี้ต้องสร้างไว้เลยต้องเตรียมตัวไว้แต่ต้นว่าต้องมีกําลังความสุจริตคนที่มีความสุจริตก็มั่นใจตัวเองและทํางานบุกได้เต็มเต็มที่ต่อไปก็4กําลังการบําเพ็ญประโยชน์การช่วยเหลือการการเกื้อกูลผู้อื่นการทําประโยชน์แก่สังคมางานของเรานี่มักจะมีจุดหมายไปอยู่ที่ข้อที่4ีนี้ สามข้อต้นก็จะเป็นตัวผลักดันให้เราก้าวไปในอันที่สีแต่นี้ถ้าหากว่าทำงานไปแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรก็กลายเป็นก็ขาดพลังอีกเหมือนกันเพราะนั้นพลังพลังอันที่4ี่นี้ก็เป็นตัวที่มาคลุมท้ายอีกทีให้ครบรวมความก็คือว่าต้องมีพลังสี่ประการขอย้มอีกทีว่าหนึ่งมีปัญญาพลังกำลังปัญญา2วิริยะพลังกาลังความเพียนพยายาา สอนาวัตชพลังกําลังความสุจริตหรือมือสะอาดและ4สังขารพลังกําลังการบำเพ็ญประโยชน์การช่วยเหลือเกื้อกูลทําการสงเคราะห์นั่นเองแก่เพื่อนร่วมสังคมเป็นต้นได้4ข้อนี้แล้วเรามีฐานที่ดีก็คือความเป็นอิสระอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ถูกอะไรผูกมัดไม่ติดไม่ห่วงเรื่องผลประโยชน์เรื่องสถานะเป็นต้นตอนเนี้ เดินหน้าได้เต็มที่เลยนี่ก็คือคนมีพลังตอนนี้จะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยถ้าเรามีพลังนี่ก็เรียกว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าเมื่อถึงตอนปีใหม่เนี่ยเราจะยังไงก็ตามก็คือเราเจอกับปีใหม่เขาแล้วการเจอปีใหม่เนี่ยก็มีความหมายสองอย่างก็งหนึ่งก็เป็นการต้อนรับกัได้บอกว่าเราปีใหม่ต้อนรับเราเนี่ยเพราะเป็น ความหวังความสดใสความเบิกบานที่จริงไม่ต้องกลัวหรอกวันเวลาต้อนรับเราตลอดเวลาเขาเปิดโล่งเพราะเขาเตรียมจะกลืนเราอยู่แล้วเนีเวลาเนี่ยเขาต้อนรับเราเราเดินหน้าไปในเวลาก็เหมือนกับเราเข้าปากเขาเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเขาต้อนรับเราตลอดเวลานี่ก็หนึ่งละแต่ว่าเรามองในแง่ดีก็เป็นการต้อนรับก็คือทําจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานสดใสมีความสุขอีกด้านหนึ่งก็คือท้าทาย ปีใหม่นี้เป็นเวลาที่ท้าทายด้วยเพราะอะไรเพราะปีใหม่นั้นมองในแง่การเวลาขา้างหน้าเหมือนเดินทางเหมือนกันเหมือนกับว่าเรากําลังจะเข้าสู่หนทางที่เรายังไม่เคยเดินเราไม่รู้ว่าขา้างหน้าจะมีอะไรเพราะนั้นมันก็ท้าทายเหมือนกันเราจะต้องผจญผชเชิญอะไรต่ออะไรขา้างหน้าอีกเยอะซึ่งเรายังไม่รู้แต่ว่าแน่นอนอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องทําแม้แต่การเดินก็ต้องการเรียวแรงกําลังในการเดิน เพราะนั้นมันก็ท้าทายเราเราต้องมีกําลังแล้วเราจะต้องใช้พลังครบทุกอย่างเท่าที่พูดมาแล้วข้างต้นเนี่ยเพื่อบุกฝ่าไปขา้างหน้าซึ่งอาจจะมีความเหนื่อยยากความลําบากความติดขดัดอุปสรรคต่างๆอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราหนีไม่พ้นเราจะต้องยอมรับไม่ใช่มองแบบแค่ปลอบใจตัวจะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วไม่เฉพาะชีวิตของคนเท่านั้นสังคมประเทศชาติชุมชนอะไรก็ตามก็ จะต้องเข้าสู่สภาวะอย่างนี้ก็คือการที่เข้าสู่หนทางเดินไปข้างหน้าในปี2546เนี่ยว่าเราจะเจออะไรอีกบ้างยังไม่รู้นะประเทศไทยเราก็มีสถานการณ์ของเราเองมองไปกว้างๆในโลกก็ยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในระยะเวลาใกล้ๆนี้หรือไม่น่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเผชิญถ้ า, าว่าเรามีความไม่ประมาทเอาความไม่ประมาทมาใช้ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องมีความสามารถที่จะรับมือแล้วจะต้องเอามันมาใช้เป็นแบบฝึกหัดพัฒนาตัวให้ได้คือว่าทุกอย่างที่เข้ามาในหูตาของเราเนี่ยเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ต่างๆเมื่อเจอแล้วเราต้องทําแบบฝึกหัดทั้งสิน้นถ้าคนที่ทําแบบฝึกหัดเป็นผ่านไปได้ก็พัฒนาทุกทีคนที่ผ่านแบบฝึกหัดก็จะเข้มแข็งยิ่งขึ้น จะมีสติปัญญาดีขึ้นแล้วก็จิตใจก็จะเข้มแข็งมีความอดทนมีความเพียรพยายามเพิ่มขึ้นทุกทีแต่ว่าต้องเตรียมใจไว้ก่อนไม่ใช่ท้อตั้งแต่ต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของปีใหม่ที่มีความหมายหลายอย่างหลายประการอาตมาภาพก็คิดว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามาบอกกันว่าเออเราจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะเดินทางเข้าสู่ทางใหม่ หรือช่วงใหม่ของทางเนี่ยเราจะเดินทางกันอย่างไรจึงจะดีเตรียมตัวให้พร้อมก็ได้บอกแล้วทั้งระยะยาวระยะสั้นเฉพาะหน้าระยะยาวก็คือว่าต้องมีความไม่ประมาทตลอดไปในใช้กับการเวลาตลอดไม่ว่าจะวันจะเดือนจะปีหรือกี่ปีก็ต้องมีความไม่ประมาทเสมอแล้วก็เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าก็คือเฉพาะวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ที่กาลังจะมาถึง1มกราคม2546เนี่ย เป็นเวลาเฉพาะหน้าที่ใหม่เราก็ต้องให้ได้3ประการก็คือว่าสุขสดชื่นสะอาดสดใสแล้วก็มีพลังพลังก็ให้ได้ครบทั้งพลังของความเป็นอิสระแล้วก็พลังของปัญญาพลังของความเปลี่ยนพยายามพลังของความสุจริตและพลังของการบำเพ็ญประโยชน์และต่อจากนี้ก็มาถึงเฉพาะขณะเลยเฉพาะขณะก็คือขณะที่พูดนี้แหละ ขณะที่พูดนี้ก็เรายังไม่ต้องทำอะไรอื่นก็มาตั้งความปรารถนาดีต่อกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างน้อยก็ส่งเสริมกำลังใจนี่อภาถภาพก็ต้องตั้งใจดีต่อท่านสาธุชนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในประเทศไทยและแม้กระทั่งในโลกที่เราจะอยู่ร่วมกันที่โลกไปโงกาพิวัตเนี่ยเหมือนหมู่บ้านเดียวเนี่ยจะอยู่ร่วมกันยังไงมีสนธิสุขก็ต้องตั้งใจดีต่อกัน ตอนนี้ก็เลยว่ามาเริ่มปีใหม่ในขณะนี้ก็คือเรานิยมมาส่งความสุขกันก็คือแผ่เมตตาปรารถนาดีให้ท่านผู้อื่นมีความสุขเพราะฉะนั้นโอกาสนี้มาพูดเฉพาะขณะก็เป็นเวลาที่จะตั้งความปรารถนาดีอวยชัยให้พรแก่ท่านทั้งหลายก็ขออารัตนาคุณพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งบุญกุศลคือความดีงามทั้งหลายที่แต่ละท่านได้ทำและร่วมกันทําเนี่ย จงได้เป็นพลังอันสําคัญเป็นปัจจัยที่จะให้เราทั้งหลายได้ดําเนินชีวิตและกิจการต่างๆให้ก้าวหน้าไปโดยช่วยกันมีกําลังทั้งกายทั้งใจทั้งกำลังปัญญาทั้งกําลังความสามคัคคีร่วมมือกันมุ่งหมายและมุ่งมั่นเพื่อความสุขความเจริญงอกงามของสังคมประเทศชาติ ทำตั้งแต่ชีวิตของตนแล้วก็ครอบครัวของตนโดยเฉพาะแต่และครอบครัวเนี่ยให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นร่มเย็นมีความสุขขยายความสุขออกไปอย่างสังคมประเทศชาติทั้งหมดก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสมณะสัมพุทธเจ้าสามารถบําเพ็ญประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่โลกทั้งปวงนี้ให้เป็น ที่อารืลมน่าอยู่อาศัยและทุกท่านมีความงอกงามในธรรมของพระสมณะสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดปีใหม่2 5 4 6และตลอดไปทุกเมือ่อเทิน